ณที่ท่านจะได้สะดับตรับฟังต่อไปนี้เป็นคำสอนของท่านท่ตลีธรมรมะโรแห่งวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการท่านแสดงไว้นะวันที่หตุลาคมพศ2502คือวันออกพรรษาขอเชิญท่านทั้งหลายน้อมโสดโลงสะดับตรับฟังได้นาโอกาสปัจจุบัน บัเนวันแดงเอวาเพืนใจแข่งทุกสมรรถพลังไสุดใจนนี้เป็นวันทุกร์ทาเดือนศุกเป็นวันที่สิ้นดลองแห่งาาที่สามนแต่วันเป็งต้องกาเราตีมาทุกสมรรถังไล่ทุกสุดมาเลนศุกร์อาศุกร์ดาศุกรซึ่งได้มาตั้เรทยร่วมกัน ด้วยการทรงสอนช่วยเหลือตัดสั้งศาลาตัดทงคนบังเรือจะตกอยู่ในการดับนี้จัดร่าเป็นการตั้งพระลาเมได้ยังหนึ่งเลือกว่าพนักศลนี้ทนนั้นสกลีเราทั้ายเข้ามาหกลมสัดสุดใจท้องคนสยรดได้ระพนตามความสามา คนเองเพวกเราได้มีโอกาสมาทำความดุเดินนั่นเป็นของสิ่งหนาแน่นบางคราวก็สัดทครื่องเหนาขาดูข้างคนโดยความจาเป็นจมาจำเปนโดยอย่างนี้ก็ได้รับชามลำบาสับคอโดยการต่างๆอุตกาหนึ่งการงานทุกเือกับความเปนตุ้งของสิ่ ในครอบครัวผู้พัฒากาเสอนโดยอาการดังนี้ก็เป็นสงสุดหายาบางคราวก็ยังสงยมานโตคาถามาต่อุดกันต่างกันเวลาและโอกาสของพวกเราผอแทรมทุ่งเข้าเป็นหาทู้างหนึ่งก็เป็นอุปสรรค ในการก้างกามดูของพวกเราทั้งหลายมีเศษธนาลมถึงตรงไปในศูนย์กลาเของพระศ <c oughs> าสนาจะไม่จะเมตตา ก, กันเป็นธรรมบาก็เป็นสูงสุดเช่นอ่างนั้นก็เป็นสูงที่น่าคนใจเพราะมีเศษธนาดด้วยกันบางขั้นก็ได้ปวดรูนเชื่อมาน เราโอวาททังแต่สาสตร์ด้านบานพันกระตุ้นสุดตากระตุ้นบัดเราสมณะธรรมความามสามารถแห่งตนมีการแตริญสมาธิรักษาศกสนาเป็นท้นกลายอุบาวสอบส้บดูการก็ได้อาณาณาเราทุกทางทางมาั่งเด่นตัวสอนและสมณะธรรมให้เป็นไปตวามกำลังดวามสามารถแหงน บางคนเล่ามาบันเทิงศุลษาศุลษาศุลษาสักหนึ่งวันบ้างสองสามวันบ้างสักวันบ้างสองเดือนบ้างบางคนก็เดือดคนนั่งคุยตั้งเยอะเลยเป็นมาแต่รุ่นโดยารและเวลาการเกิดมาทั้งคนก็ให้กันหมดมาโดยดูบางคนก็เดือดมาโดยนานสองวันบ้งสักันบ้ง ความคุ้นสนทางร้ายทุกกามานี้่วามเป็นพระเทนิทันและเป็นสัาันข้อเท้าสั้นคือสุกเตและเทนิทานจงนั่พื่อเราวทางห้ายได้เละร้าคนทุกข์ใจความตัดข้อหน้าดั่งเป็นชวามรู้นี่เป็นเป็นตึ้งที่หน้าคนใจเป็นยางรุ่งเราต่อว่าข้ากันมาทำสิ่งยุต ข้างคนเห็นคนตามแม่าสนาการเทินทางสงเคราัห์คนร้าย่อคำเพือนมาแล้วนั้นให้ลับเสว่าเราได้ทำตัวต่ให้ตนเองอาวุธปัดโทรศัพท์าหนามาสอบเทียบเป็อนตาเห็นคือแสบทุกศาสนาแต่เธอบาอาจารย์การเรียนก่รสอนคือ้งสงเคราะห์นราย ว่าชีวิตของเราไม่เช่นนั้นแล้วการนี้เราทราบนี้เข้าชุดว่าการการเขาใจรับรู้คนิยามที่คือสัรสัมผัสสัมผัสตัวได้เชนั้นการนี้ด้วยว่าโ้การเข้าใจด้วยจะทดอสปฏิบัติได้ด้วไว่าได้ไทั้งปันดยกานเห็นเ้าชุดว่าการกาอาุธ ทังเกษตันาให้ยุงอเร่งรร้งความสรางันการพัฒนาอุตดาหกรั้สคนลาวูราเซมาน้ไหลังทนั้นคุณอเลกานมาในทการเษตสนสนตําทำทางไล่ในการขมาทางตัว ไปเสียก็ได้หรือเราอาีวิตความเป็นเดยวก็ได้แต่มีการตัดข้างบางาสถานต่อพึ่ในขั้นหน้านสามารถมีโอกาสาได้มาดำเนินความดูดังขอธรรมาภรณ์นนนในการก็อไปขอจัญ่าได้ถ้าสัมมาเข้าตั้งเดียในขอขธิบัมม และนที dia, filho, sure so, dio, so, ah, ่นี Cola ้เราทำสุราสนุสเราจะไโบในวัานรรไตาะูาสังุกองั่งขอทำทังหายงปัตไปงกังโนศูนย์มาธิภาวนาท่านสดให้ต มาติดความความภาคเทียนของเราสงสาผู้มีความยินดีในเมื่อสังเวชในคนละทศคนเจ้าทามคนเจ้าสงสารตายดูแลผู้มีความภาคเทียนัร้างความดีั้งคนเรภาคเทียนากันสอง ทุกันทุก <Sandy> ต <working> ัวให้ทุกไปขาควรทุรว่ารักาความดูทั้งคนทูกทำได้แล้วอให้สะคมจนสะสมุเรีนทุเรีานใสความดูทั้งนทกใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจ้จใจใอใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจ้จใ การะทาเช่นนั้นเป็นการไม่สนควรแต่เพื่อเราเพื่อหลักธรรมได้ือว่าการครงอริยมรรคเป็นสำคัญต้องนาคเห็นว่าสป็นขั้าตอนที่จำเป็นก็ไม่ควรจะตา้เป็นเรื่องว่าเป็นเัื่อการช่วยนักบวชเพื่อการช่วยนโดยตัวและสมเวรจัดนกต่อ ยังดูยังดูเอาเป็นเสเป็นสมาไม่ได้เทาวามดูไม่ตท่าความตาเระเวลาตารอ้นหนูตาเลยเป็นนั้นงามสดโตทำตนให้สนนรกลำบาให้ทันตนศึกษาให้ศึกจ้ำเจ้าของใจทั้งตนอยู่ในธรรมมีการเจริญหูตาภาวนาต่อใจในใจทั้งตน่งเมือง ท่านสุดทั้งท่านท่านไปกาผู an so Hence, ้ร่างท่านส่งต่อหมอท่านสามารถทาได้ส่นนุษย์ครคัต้งสบตาพ่อตาส่นนมาเยนะส่นบางเวลาครอบรัวทำเวื่นั้นให้ลดจากนวลละน้ำส่งต่มเจเาเสได้ราจักว่าเราเล่าากน้ําส่งต่อหนท่านเลือกส่้นท้านเอง ถาไม่สามารถทำได้ใโอกาสถึงนาต่อส Japan, ่นชังรวมเราบ้านในสนะสึงเรามานั่งจัดลำคอนโดในคณะหือรเรามานั่งตั้งจมาเิคนะกันโดหรือในสนะสึงเราได้มานั่งทำโทนสมาธิภาวนากันโดก็ให้เรื่องสุดสุดแลาสุดทังทนทำามโด สัญญาเต้าตาเฮล่าตาเฮลุตาเต้าโตสัตว์สันตาัญญาสได้สัญธมสุนได้ไสัญธรมได้สัญโตสได้ไม่สัญโตสุได้สัญตุสได้ไม่สัญตุให้สุนสุจริาสุตังมอเห็ตัวตนคือจะเป็นไดรับแตนละทุกคนทุกคนอยากทำใจปฏิบัติด า้าพุะสุ พ, พ, พรรืสูรุนักตนพระเดชพระรัมตึ่งนิรศนพันธความเป็นไปในทางพระศรอรุณได้ันม่งเลือกว่าตามมาสุดขัธ์ลกตาในโรกเป็นเป็นไปไม่โสดา้ันองฟ่องตะลุมยมเรือว่าขันธ์ข้าตระสุพระสุนอกบขึ้นร์ นาอมซอสแกงตับเต้าทำสุกชั่งชันไม่ให้าวขั้นเพื่อโดยทำน้ำเป็นน้ำให้ลำบากซึ่หว่าโดยเรเลือกว่าสักกะคือนมาท้าว่าไม่โผลฟองไม่ทานองคล่องทำโวดาก็ะต้ทำสุ่มได้ยาทำเกลีวชั่งชัว่าเจนโดยนึ่งเด็สอควนทำเกลียวชั่ง และคงอนว่าต้องอมีสอนผู้ชื่นยยนคยเรื่อยๆในผู้อำนาจดนได้ั้งใจประทุะมตะเอนหนดศรัทาที่ท่านจะได้สดับตรับฟังต่อไปนี้เป็นคำสอนของท่านะทะลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ ท่านแสดงไว้นะวันที่หตุลาคมพศ2502คือวันออกพรรษาขอเชิญท่านทั้งหลายน้อมโสดลงสดับตรับฟังได้ น, กนอกกาสปัจจุบันา่นาท่านตัดตรัพลดลงกำลังตั้งทางอำ น, นาจกัญญัติบัญญัติแสดงวาทป่ยนใจแยงชิงทรัพย์มนดกต่้งๆโสดายไปไปวันนี้เป็นวัน ดวงจุดเป็นวันที่สิ้นสุดลงแห่งปัญญาที่สามและตนวันพลังพ้องเป็นหน้ารีปมากสมรูปต่างๆทุกสามันเริ่มดบาสศึกาสุขาซึ่งได้มาบั้ทใจช่วสอนร่วมกันพล้มด้วยการฝึงซ้อมช่วยเลี้ยตจัดการเวลาักท่องสอนบังนีจะติดอยู่ในการบันี้ จัดว่าเป็นการสร้างพระปรมาิธรรมได้อย่งลึงเรืยอว่าพานักปรมทัิธนรมเพื่อเราทั้งหลายให้มาอบรมศึกัาศึกษาทั้งคนสยวนได้รับผลตามความสามารถของตนเอเราได้มีโอกาสมาทำควารดุษฎีนันทน์้นถึงหน้าเรื่อง ต่างกล่าวก็รับสังในพาดพูดทั็งคนโดยความจำเป็นมาจำเป็นโดยผลการนี้ก็ได้รับความลำบากรับฟัอโดยอการต่างๆอีกหนึ่งการงานที่เกี่ยกับความเป็นทุนของสิ่งในครอบครัวด้วัความจำเป็นโดยผนโดยอาการดังนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยา บางคาวก็ยังรู้งสยามตัวข้าพเจ้ามาเจอสุขันต่างกันเวลาและโอกาสของพวกเราคือความสุขเรวเข้าเป็นมาทอย่างหนึ่งก็เป็นอุปสรรคให้การสร้างความดีของพวกเราทั้งหลาย มีเศษธนาลมดึงตรงไปมาสุดสุดต้องต้อจัดพระศาสนาจะไม่เะนอะภากันเป็นธรรมบาร์ก็เป็นสงทุกเห็นอย่างนั้นก็เป็นสึงทุ่น่าคนใจเพราะมีเศษธนาดเจดยจขันบางขันก็ได้ปวเรูนเชื่อม เาโอวาทสังเกตสอดบานท่านเพื่ออบศึกษาปฐมนัเรนสมณธรรมการควาสามารถแห่งตนมีการเจรินสมาธิวัติศาสนาเป็นต้นเราอุปมาสอบบานดุกากอได้ผ่านมาเราศึกษาต่างําดั่งเรียนตัวตนและสมนธรรมเท่าตนใตามกำลังความสามารถแห่งน บางคนได้มาบันเทิงย์ห้าแดดหนึ่งวันบ้างสอามวันบ้างสวันบ้างสเดือนบ้างบางคนก็มาเพื่อนั่งูั้งเยในมาแดโการมาเสาการเปพมพ์าคั้งกันก็ให้กันลดมาดูบางคนก็มาบราตสองวันบ้างสวันด้าง ความคุ้นทรองร้ายทุกลามานี้ว่าเป็นพระกรณีทรรมและเป็น ส, สนัานก็เป้สาปสันนิษฐนสุตตะและธรรานป็นนั้นพวกเราทั้ทงหลายได้เล่าท่านาทุกประกาวามสัมพันธ์มาบันเทิงความรู้ที่เป็นเป็ น, น, สสนสิงที่มากทนใจเป็นยางรุ่งเรว่าถ้าทัานมาทำวิต ข้างคนอดคนกันทร์มาซาณิกาเรเทำสงสารทั้งายที่ทำคญมาแล้วนั้นให้นึกด้วว่าเราได้ทัวต่อคนเ อ, อนงอ้อาตพ่ออตพานาย ม, ม, นะมาสบเพไวเป็นาก า, การให้เียเพีะพุสศาสนาแต่คบ้าการกาโองการเพื่อทุกต้องสลั้งหลาย จากว่าศิรรุทธของเราไม่เช่นนั้นในกันในสนาให้ศิริรว่าเป็นการเผแพรับร <ss uch ing noise> ูธรรมนียมซึ่งดูสังสารสัมพุทธ้าชนั้นการศาสนาผว่าผู้การเผยแพร่ผู้กาจะศิริสตบัติช้ายว่าผู้ตาทั้งปันโดยการห้้ศิริรว่า การทาอารมณ์ทั้งการพัฒนาให้ดุจดวงทระโลหะความท e, ้าราสนานคนละดแบบดาทังชนลลชนละดูอาบุกเกิมาละไพลังนั้นสุนทรอรกันมาในางการละตัสนแสนตัวแก่ทำช่ารในทางกันมา เราเลือกไ ด, กได้หรือเราอาจสิตความงเป็นเก็ได้แต่มีการตัดขอ้อตบ้งโตการโกิขึ้นในขนา้างหน้าสามารถือโอกาสาได้มาดัเ่เพื่อความดู ด, ด, มดังนัทนธรรมะสันนั้นม่การก่อไปแค่จง อ, อย่าได้ตาสัมมาให้ตั้งอยู่ในข้อกสุบา เราเป็นมนุคนนี้นสู้นี้เราเป็นผู้เล่าเป็นมนุษย์เราจะเทิดบนวัดเาบ้านก้าวข้ามเราให้ลึกข้าเราจะข้ามันระดูข้ามขั้นผู้อันสองขั้นตาขอั้ททางล้าสังปฏิบัติไปทังงันให้ัางเดียวูนย์สมาภูคารมาท้อสนเสด็จเรดาให้ตัวต้องม มาสู่ความภาคเรียนของเราตั iter, no ้งตาดูามยินดีในเรียนฟังโดยในคนจะพูดคนจามคนสงต่อไปดูพระดูความด a n g คเรยสาวามดูทั้งคนเราภาคเรียนที่ยามตังงเร ทังคนทุกตัวให้สุดใจข้าวเทียนเพื่านรักษาความดทั้งคนที่ทำได้แล้วอราให้สะสนความขสาวเทียนเพื่อว่าใสอใจความดีแล้งคนทุกตัวจะสุดาน การเจทท้าพันเป็นนั้นเป็นการไม่สนควรแต่พวกเราพวกราทุกทำได้เพื่อว่าตาเองอรุณมากเป็นสำคัญเพืเเอ่อตันหาเห็นนั่นทังนั่นต่อคามดูไม่เป็นก็ในส่วนจะรตายเป็นรู้สภาวะเป็นส่วนทักษอยู่ในวิและส่วนความรู้ด้วยโสดาและสเด็จจัดนึกต ดังดูดังดูเอาเป็นต่งเป็นต่มาไม่ได้เทาความดูไม่ต้ดงการเวลาปลุกสงบตาเคนนั้นงอมอทำตนให้ก็มาลมล้างบาปในทันกษาให้ศึกษา่องคาทั้งนอยู่ในธรรมมีการเจริญหน้าภานาต่อไปในใจทั้งตนหนึ่ง ทั้งกท่านไตราดูร่าท่านส่งต่อมท่านสามารถทาได้สนกคเอืคอัวตั้งคู่บัาบประารส่งามาอยู่นรบสบางเวลาครอบอรัวทำเรื่องนั้นให้มัทราบดูร่างท่านส่งต่อมาได้ก็จักว่าเราได้สาดน้นกระตุกต่ท่านเลือกส้นท่านเอง ถ้าม่สามารถำได้ในโอกาสถึงเราต่อเตวมทั้งเรื่อเราวางในขณะซึ่เรามานั่งจัดเรียงัอนโดในเวาหรือขณะที่เรามานั่งสร้างสัจธรรมเถิดสณะคอนโดหรือในขณะทึ่เราได้มานั่งํำเติม ส, สมาธิ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 เทวทัศน์สัญญาเทวทัศน์โลกธาตุเทวัศนดาสัตว์สัมเทวทัศน์สุนทรัพย์ธรมสัมไ่สุนททสอสุดไม่สุทรนทสุนทรทไม่สุนให้สุนทรสุนทราสุนท n มอเหนตัวตนูจ้าุนทรรัตตเจ้าตนหลบภคนสุขเนยาาต คัอคือูตูปัตตุบัณค์ภัเวโยทวามลับตุนนิย่อนมทธาวามเป็นสในทางอัตตุสอนได้จันนียกว่าตามมาสขันลุตาเนรตุนเป็นไปไม่เคยสร้างข้องทองกัลยามัตเือดว่าทั้งชาติปัตตุะสัตตุเลือดซอสพุทรา นาน ต, ตอแท่นตักเตียงทำสดทั้งคนไม่ให้าทั้งเพื่อยู่ได้ทมันโตทนเหนให้ลำบ า, ากซึ่งว่าอยาูได้ใจเลือกว่าทักตะคือได้มาหาเรยวมาโถ่ฟ้องนอนทำนองทั้งคำทุอว่าก็สุขทำสุ่มได้อย่าทำใจทั้งทนวาสนงโดยมุ่งเหวีคยงวรทำใจทั้ทน และเสนอว่าโค n งสร้างทีเกิดข้นจริงไม่เป็นเรื่องจริงไม่เป s นอำนาจไม่ได้สร้างกรกัวเต็มร